นี่ก็คถาที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะก็คือเป็นความเศร้าหมองของสัตว์ที่ว่าผู้คล่องอยู่ในร่างกายเนี่ยก็ถูกกิเลสปิดบังตั้งอยู่ด้วยอํานาจกิเลสก็หมกมุ่นอยู่ในสิ่งที่หลงคือรูปเสียงเปลี่ยนรสโพธะเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ย่อมไกลาจากวิเวกนั่นแหละอันนี้คือปกติของสัตวนะ์อนะถ้าฟังสูตรนี้เราต้องดูปกติของสัตว์ชาวโลกทุกคนเนี่ยที่ที่เห็นเห็นกันอยู่ที่เรารู้จักเนี่ เขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ไกลาจากวิเวกกันทั้งหมดเลยโดยมากนะโดยมากไกลาจากวิเวกเพราะอะไรเพราะว่าโดยมากไปเป็นคู่ๆเป็นต้นเนี่ยนะมีตันหาพาไปเป็นต้นเนะี่ยนรชนเช่นนั้นย่อมเป็นผู้ไกลาจากวิเวกทั้งหมดนะนะที่เห็นเเนะี่ยตามสถานที่ต่างๆเนี่ยโอยไม่มีวิเวกอะไรหรอกอคําว่าวิเวกเนี่ก็แปลว่าเงียบหรือว่างเนี่ยนะวิเวกมีอยู่สามอย่างคือกายะวิเวก จิ ต, ตวิเวกแล้วก็อุปทิวเวกกายวิเวกวเวก็คือไม่ขวนขวายทางกายจิ ต, ตวิเวกก็คือไม่ขวนขวายทางจิตเนี่ยนะวิเวกนี่ก็แปลว่างเงียบแปลว่าสงัดหรือแปลวา่าว่างเนี่ย น, นะกายวิเวกเนี่ยเป็นไงเนี่ยนะก็ภิกษุคือผู้เห็นภัยในวะตะัตตาในพระธรรมวินัยนี้ซ่องเสพเสนาอันสนะเสพเสนาสนะอันสงัดคือสงัดจากเสียงอันนะ คำว่าสังัดจากเสียงในที่นี้เน้นเสียงมนุษย์นนะไม่ใช่แปลว่าสังัดจากเสียงจากจันทรเรไรริ่งริพวกนี้ไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าสังัดจากเสียงของมนุษย์เหมกันไม่ว่าจะเป็นป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาช่องเขาป่าชา้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟังนะพวกเตะที่เรียกว่าที่เงียบที่สังัดก็คือคนไม่ไปคนไม่มาเน่แหละที่ที่ใครไม่ค่อยสนใจนั่นแหละ เป็นผู้สงัดกายอยู่สงัดกายก็คือเดินผู้เดียวยืนผู้เดียวนั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวใช้อิริยาบถ ท, ทั้งสี่โดยแต่ผู้เดียวเข้าไปบินธบัติก็บินธบัติแต่ผู้เดียวพอบินธบัติอ่ะนะกลับมานั่งในที่หลีกเรนรับก็เร้นแต่ผู้เดียวนั่งกับผู้เดียวอธิษฐานจงกรมคือเดินจงกรมก็เดินแต่ผู้เดียวหรือผู้เดียวเที่ยวไปผู้เดียวเปลี่ยนอิริยาบถรัก ประพฤติรักษาเป็นไปให้เป็นไปยอย่างนี้ชื่อว่ากายวิเวกนะเน้นเน้นลำพังแต่คนเดียวเนี่ยนะแต่เป็นคาถาพระปัจเจก็คือคัคควิสานะกัปปะเนี่ยนะก็คือไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอนแรก น, นะส่วนจิตวิเวกเป็นไนะก็คือภิกษุเป็นผู้บรรลุปฐมฌานมีจิตสงัดจากนิวรณนะ์ผู้ที่บรรลุปฐมฌานนี้สงัดจากนิวรณ์ บรรลุทุติยาชาญก็สงัดจากวิตกวิจาร์บรรลุตติยาชานก็สงัดจากปีติบรรลุจตุทชานก็สงัดจากสุขและทุกข์นะอันนี้จิ ต, ตวิเวกเนี่ยนะปฐมชาญเนี่ยนะก็คือหมายถึงรูปประชานทั้งสีก็สงัดเพราะว่าปฐมชาญสงัดจากนิวรห่านะการมชาชันท่านิวรเป็นต้นทุติยาชาญเนี่ยนะโดยจะตุ ก, กนาคก็ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมันก็เลยสงัดจากวิตกวิจารณ์ ตัยะชานก็สงัดจากปีติก็คือไม่มีปีติเกิดร่วมเจตุธาชานก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เนี่ยไม่มีโสมนัตโทมนัตเลยดำรงอยู่ด้วยอุเบกขาอากาสารัญจายตนะก็สงัดจากรูปประสัญญาปฏิฆาสัญญานานาตตสัญญาก็คืออากาสารัญจายตนะเนี่ยสงกัดจากรูปประชานสิบห้าสงัดจากทวิปัญจวิญญาณจิตสิบสงัดจาก จิตที่เหลือ4ี่บสี่ดวงนี่แหะท่านอากาสานัญจายตนะแปลว่าสังัดจากกามาวจรจิตทุกชนิดสงัดจากรูปาวจรจิตทุกชนิดนั่นแหละจึงจะเข้าอากาสานัญจายตนะได้ถ้าไม่สงัดจากกามาวจรจิตรูปาวจรจิตเข้าอารูปฌานไม่ได้นนะ ผู้บรรลุวิญญาณัญจาญตนะก็คือมีจิตสงัดจากอากาสานัญจาญตนะมันก็วิเวกไปเรื่อยๆนะสงัดไปเรื่อยวิเวกไปเรื่อยว่างจากสิ่งนั้นไปเรื่อยผู้บรรลุอากินจัญญาญตนะก็มีจิตสงัดจากวิญญาณัญจาญตนะผู้บรรลุเนวะสัญญาณาสัญญาญตนะก็มีจิตสงัดจากอากินจัญญาญตนะก็สงัดไปเรื่อยๆนะนะปุณิกา อรูปฌานสี่อนะอรูปฌานสี่ถ้าอารูปฌานที่หนึ่งก็สงัดจากกามาวจร ot, รูปราวจรอรูปฌานที่สองสงัดจากอารูปฌานที่หนึ่งอรูปฌานที่สามสังัดจากอรูปฌานที่สองอรูปฌานที่สี่สงัดจากอารูปฌานที่ 2, าาท 4, สาม น, นั่นเองทีนี้ถ้าจิตของพระโสดาบันน่ะ เมื่อพิสูจนนั้นเป็นโสดาบัญบุคคลก็มีจิตสงัดจากสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีและพัตะปรามาธิฐานุใสวิจิกิจฉานุสัยและกิเลสที่ตั้งอยู่ในเหล่าเดียวกันกับสกายะทิฏฐิเป็นต้นเหล่านั้นอกิเลสที่สัมพยุติกับทิฏฐิวิจิกิจฉาสีและพัตตะปรามาธิฐานุใยวิจิกิจฉานุใสเนี่ยโสดาบัญบุคคลเนี่ยเว้นสงัดจากจิตเหล่านั้นทั้งหมดคือท่านไม่มีจิตเหล่านั้นเลยนะ ถ้าพูดแบบจิตก็คือพระโสดาบันบุคคลไม่มีทิฏฐิคตะสัมปยุตจิตสี่ดวงเลยสงัดเลยจิตประเภทนี้ไม่มีกแกท่านแล้วท่านไม่มีวิจิกิจฉาจิตเลยอะ่ะหรือแม้กระทั่งไอจิตที่เป็นเหตุพาไปสู่อาบายนะจิตราคาจิตโทสะจิตที่เหลือท่านก็ละอีกนั่นแหละนั้นท่านสงัดจากส ก, กายทิฏฐิ20่สท่านไม่เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอัตตา ท่านไม่ได้ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป oui, ็นอัตตาท่านไม่ได้ถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นของอัตตาหรืออัตตาเนี่ยอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่อยู่ในอัตตาท่านไม่สําคัญหมดเลยเอาแล้วท่านสําคัญยังไงท่านก็เห็นว่ารูปเป็นรูปเวทนาเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็น เป็นขันนั่นแหละที่ไม่ที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาท่านไม่ได้ไปสําคัญอย่างใดอย่างหนึ่งเลยอนะก็คือรู้ตามเป็นจริงในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งเหล่านั้นนั่นเองท่านก็ล้วิจิกิจชาเนีนะความสงสัยในฐานะแปดคือสุะท่านไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจไม่สงสัยในคําสอนว่าด้วยอริยสัจไม่สงสัยในหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติ รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจไม่สงสัยในไตรสิกขาที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะท่านก็ไม่สงสัยในอดีตไม่สงสัยในอนาคตไม่สงสัยทั้งอดีตอนาคตไม่สงสัยในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าละสงสัยเหล่านี้ได้เด็ดขาดแล้วท่านละศีลพัตะปรา ม, มาตได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะข้อปฏิบัติที่ไม่ได้เป็นไปตามแนวมรรคมีองค์8เนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติที่เกิดจากมิจฉาทิฐิพระโสดาบั น, นละได้เด็ดขาด เพราะฉะนั้นพระโสดาบันบุคคลเนี่ยนะละสากายทิฐิด้วยการกําหนดทุกขสัตเนี่ยนะละวิจิกิจชาด้วยการกําหนดสมุทัยสัจนะละศีลภัตตปรามาด้วยการเจริญมัคสัจแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต่อเมื่อมีนิพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะเมื่อมีนิพานเป็นอารมณ์นั่นแหละนะทวนว่าสงัดจากสากายยทิฐิด้วยการกําหนดรู้ทุกขสัตเนี่ยนะทำปริญญากิจในทุกขสัจ ละความสงสัยด้วยละสมุทัยสัตว์เนี่ยนะก็คือเห็นอริยสัตว์นะนะละสีระพตะปรามาด้วยการเห็นมรรคสัตว์กับนิโรสัตว์นั่นเองมันท่าลาส ก, กายทิธิวิจิกิจฉาศีระพตะปรามาดกิเลส ท, ที่มีกําลังอนะคือทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยกิเลส ท, ที่ยังละไม่ได้เหล่านี้ก็เพิกถอนทีนี้ไอ้พวกบาปอากุศลทั้งหลายที่เกิดร่วมละหมดเลยเนี่ยนะถ้า พูดแบบผู้ที่เรียนอภิธรมมัตสังฆะมาก็บอกว่าพระโสดาบันบุคคลเนี่ยละโลภมูลจิตทิฏฐิกะตะสัมปยุตสี่ดวงพร้อมเจตสิกทีก่ประกอบทุกชนิดเนี่ยนะเจตสิกที่ประกอบร่วมกับไอจิตเหล่านี้นะละวิจิกิจามูลจิตจิตที่มีวิจิกิจาสัมปยุตเนี่ยนะและเจตสิกที่เหลือเนี่ยท่านละหมดเลยนะนั้นไม่ได้หยุดอยู่เท่านั้นนะจิตเหล่านั้นทําจิตตชรูปเหล่าใดเนี่ยนะจิตตชรูปเหล่านั้นะเนี่ย พระโสดาบันบุคคลละได้หมดเลยนันท่านพระโสดาบันก็เลยถือว่าเป็นผู้สงัดจากโลภามูลจิต 4, สี่สังฎจากวิจิกิจชาหนึ่งสังจากทิฏฐิสงังจากบาปอากุสนที่เกิดร่วมกับจิตเหล่านั้นหมดเลยท่านที่เรียกว่าจิตวิเวกของท่านเนี่ย น, นะท่านวิเวกจากบาปนะ พระสกทาคามีบุคคลเนี่ยก็มีจิตสงัดจากกามราคะสังโยต์ปฏิฆาสังโยชน์อย่างหยาบกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอย่างหยาบและจากกิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับกามราคะสังโยต์ปฏิฆาสังโยต์าย од, กามราคานุสัยปฏิฆานุสัยเนี่ยท่านละได้หมดเลยเนี่ยเมื่อภาวนาทัวร์อีกครั้งว่าโซโดาปฏิมัคเนี่ยเห็นอริยสัจสกทาคามีมักเนี่ยก็อบรมอริยสัจ ท, ที่เคยเห็นแล้วนั่นแหละ เลยเรียกว่าภาวนานี่ยนะอันพระโสดาบันบุคคลเนี่ยอย่างเช่นการมราค้าสังโยชน์เน้นเมถุนเน้นเรื่องเมถุนธรรมเนี่ยนะอันพระสกทาคามีเนี่ยละได้ทันทีห้าสิบเอร์เซ็ตเลยเนี่ยนะอันความโกรธของท่านก็เหลือแค่สมมติว่าผู้ตุชนเนี่ยโกรธเป็นร้อยเนี่ยนะพระโสดาบันโกรธร้อยหนึ่งเนี่ยท่านละเหลือครึ่งหนึ่งนะแล้วก็มีคุณนั้นยิ่งมากนั้นถ้าเป็นพระสกทาคามีเนี่ยเรียกพ่อว่าน้องชายอะ เหมือนลูกสาวอนาถบินทิกะเศรษฐีเป็นพระโสดาบันนะนะอนาถนี้เป็นพระโสดาบันลูกสาวเป็นพระสก a t h คามีเนี่ยเรียกน้องว่เนเรียกพ่อว่าน้องชายเนี่ยนะเพราะว่าน้องโดยคุณธรรมเนี่ยนะเพราะว่าท่านอนาถนี้ทําเห็นอริยสัจแต่นางเนี่ยภาวนาอริยสัจแล้วเนี่ยนะก็คือสก a t h คามีมักท่านเกิดเนี่ยนะทีนี้พระอนาคามีบุคคลก็สงัดจากการมาราคฆสังโยชนะ คือท่านไม่มีราคะแม้กระทั่งในเมตุนแม้แต่ความฝันเนี่ยไม่มีเนี่ยนะโกรธใครสักนิดก็ไม่มีเนี่ยนะเขาจะฆ่าจะแกงก็ไม่โกรธเขาเนี่ยนะการมาราคานุสยัยปฏิคานุสัยอย่างละเอียดและจากกิเลส ท, ที่ตั้งอยู่เหล่าเดียวกันกับการมราคานุสยัยสังโยชน์เนี่ยนะปฏิฆาสังโยชน์การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยพระอนาคามีเนี่ยละไม่มีส่วนเหลืออันพระอนาคามีไม่มีโทสะมูลจิตสองไม่โกรธแม้แต่นิดเดียว ราคาเกี่ยวกันเนี่ยเกี่ยวกับเมทุนเนี่ยไม่มีแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะพระอนาคามีเนี่ยละได้หมดเลยท่านยังติดเฉพาะในรูปปัจจานารูปปัจานรูปประพบารูปประพบแต่ก็ยังมีมา n a อยู่บ้างเนี่ยนะมี mana ม, มีความฟุ้งซ่านเนี่ยนะขณะที่อกุศลเกิดท่านก็ฟุ้งอยู่แต่ก็ฟุ้งแบบท่านเนี่ยนะฟุ้งแบบอูย้ยเขาเรียกว่าไม่ฟุ้งเลยแหละนะถ้าเปรียวก็ไม่ฟุ้งอ่ะ ถ้าเอาปู้ทุชนไปวัดอะนะหูยสงบนิ่งเลยแหลนะนแต่ก็ขณะที่ท่านเพลิดเพลินในฌานสมาบัติหรือในรูปประพบารูปประพบเนี่ยก็ยังมีเนนะี่ยะแต่ว่าไม่โกรธเนี่ยนะจะฆ่าจะแกงท่านท่านก็ไม่โกรธจะด่าท่านท่านก็ไม่โกรธ ถ, ถึงผ่าซีกหนึ่งก็ไม่โกรธเอาน้ําหอมกระของเหม็นไปรูปทีละข้างท่านก็ไม่ไม่โกรธแล้วก็ไม่พอใจส่วนพระ้าหัน์บุคคลเนี่ยนะผ้าหันเนี่ยมีจิตสงัดจาก รู ป, ปราคาอรูปปราคามานะอุทจจะอวิชชามานานุสัยภาวะราคานุสัยอวิชานุสัยเนี่ยกิเลสที่ตั้งอยู่ในเหล่าเดียวกันกับรูปปราคาอรูปปราคามานะอุทจจะอวิชชามานานุสัยภาวะราคานุสัยอวิชานุสัยเนี่ยพ ร, พระอรหันต์บุคคลเนี่ยสงัดจากบาปอากุศลเหล่านี้ทั้งหมดในขณะเดียวกันขณะที่ท่านเข้าพระสมาบัติจิตของท่านสังกัดจากสังขารทุกชนิด ถ้อนนะาอริยบุคคลนะเช่ น, โ ส, สนนะโสดาปฏิพลสมาบัติเนี่ยนะโสดาปฏิผลสมาบัติก็สงัดจากสังขารสกทาคามีผลสมาบัติก็สังัดจากสังขารในขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นะในขณะที่มีอนาคามีผลสมาบัติเข้าก็สงัดจากสังขารทุกชนิดอรหัตผลสมาบัติก็สังกัดจากสังขารทุกชนิดเหมือนกันนั่นนะอันนี้เป็นจิตวิเวกัคําว่าจิตวิเวกหมายถึง รูปฌานสี่อรูปฌาน4ี่มัค4ีผลสีพวกนี้เป็นจิตวิเวกทั้งหมดเลยนะส่วนอุปธิวิเวกเป็นไงนะนะพูดถึงอุปธิก่อนนะจึงจะรู้ว่าวิเวกจากอุปธิเป็นยังไงตัวอุปธิคือกิเลสตัวอุปธิคือขันอุปธิคืออภิสังขาร น, นะอุปทิคือกิเลสก็คือมันทําให้เดือดร้อนมันทําให้ลําบากโดยประการต่างๆตัวขันก็คือเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็นอารมณ์ของอุปาทานอภิสังขารก็คือกรรม สรุว่ากิเลสกิเลสก็คืออะไรก็คือกิเลสวัตขันก็คือวิปากวัตอภิสังขารก็คือกรร ม, มวัตเพราะฉะนั้นวัตตะสมนั่นแหละคืออุปธิว่า ง, งั้นอ่ะเรียกแบบย่อๆนะวัตตะสามชื่อว่าอุปธิพระนิพานเนี่ยสงัดจากอุปธิทั้งหมดเหล่านั้น น, นะนะพระนิพานเนี่ยสงัดจากกรร ม, มวัตวิปากวัตและกิเลสวัตเมาอนกนเฉนั้นพระนิพานนั้นเป็นธรรมะที่สงบระงับสังขารทั้งปวง เป็นที่สลัดคืนอุปธินะทั้งกิเลสกรรมวิบากทั้งปวงเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่สำรอกตันหาเป็นที่ดับเป็นที่ออกไปจากตันหาเครื่องร้อยรัดอันนี้ชื่อว่าอุปธิวิเวกพระนิพพานเนี่ยนะเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยอริยมรรคเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยจะออกจากตันหาได้ตันหาตัวที่เย็บเย็บสงสารเอาไว้กับสังโสตสงสารเนี่ยนะ เย็บกรรมเอาไว้กับผลของกรรมเย็บภพเอาไว้กับภพเย็บกรรเนิดเอาไว้กับกรรเนิดเย็บคติไว้กับคติเย็บวิญญาณทิติไว้กับวิญญาณทิติเย็บสัตวาะไว้กับสาวัตวาะเย็บเนี่ยนะเขรียกว่าเย็บตาให้มีตาเหมือนั้นอะเย็บหูให้มีหูเย็บจมูกให้มีจมูกอ่ะเย็บลิ้นให้มีลิ้นเย็บกายให้มีกายเย็บใจให้มีใจเย็บภพให้มีภพเนี่ยนะ เย็บจากมนุษย์ให้ไปเกิดในนรกเย็บจากมนุษย์ให้ไปเกิดในเดรัชานเย็บจากมนุษย์ให้ไปเกิดในเปรตเย็บจากมนุษย์ให้มาเกิดมนุษย์เย็บในมนุษย์ให้ไปเกิดเป็นเทวดาเย็บในมนุษย์ให้ไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยนะเย็บให้อยู่ในวัฏตะอย่างนี้แหละเรียกว่าตัณหา